50 languages. กาการตั้งคาถามหนึ่งเรเรียนนนักเรียนเรียนมากไหม व ि द ्าลัยที่ก๊าดูตั้งยาวไกลอยู่เวร์ไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่าม่พวกรีย่อยไมม่พววกเขาาเรอยไม่ไม่่ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย illa ลลนานเหตุชะกิอัจยาพักการ์เกะประ्ศน์เกลันนูเคลดูุดิลลตอบกลับอุตตริสุบุช่วยตอบกลับด้วยค่ะดียบิต้ขัตตระนีดีดิฉันตอบกลับนานโอุัตริสุเต เ, เน ทำงานเคลสามาดูดุเขากําลังทํางานอยู่ใช่ไหมยีกาอาวนันโเคลสามาดุติดดานะใช่ค่ะเขากําลังทํางานอยู่ฮูดุยีกาอาวนโเคลสามาดุติดดานีมาบรูดุ คุณจะมาไหมนิว บ, บรุตตีระค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ฮดูดูนาวูเบเกบรุตเตเวอยู่วาสิสุบุดูคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะนี่วเบอร์ลินนัลลีวาสิสุตติดีระค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลินฮาวดูนานนเบอร์ลินนัลีวาสิสุติดเดเน